ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนผู้ดำเนินรายการมรดกไทยตอนนี้มาประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณรู้ฟังครับเราอยู่ที่ FM 89.5 MHz สเมกะเฮิรต์สถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณู้ฟังครับช่วงนี้ฤดูฝนแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องเกือบทุกวันโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆแล้วก็ตอนเย็นๆนะครับ เมื่อฝนตกก็ทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับฝนนะครับวันนี้มาดูทั้งสี่ช่วงในรายการว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฝนบ้างในช่วงมรดกเพลงไทยเมื่อฝนตกทุกครั้งส่วนมากผมจะนึกถึงเพลงของคุณแหวนจิติมาสุตะสุนทรก็เลยหยิบเพลงฟ้ายังมีฝนซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องราวของเนื้อเพลงแล้วก็ยังแถมท้ายด้วย ฝนแต่ละประเภทความหมายของฝนนะครับนำมาฝากคุณฟังสำหรับในช่วงที่2มรดกวิถีไทยครับคนโบราณคนในสมัยก่อนบางครั้งเวลาจะจัดงานหรือทำงานใหญ่ๆก็ไม่อยากให้ฝนตกนะครับวันนี้ก็จะมาดู1ิวิธีที่คนไทยสมัยโบราณเชื่อกันว่าเมื่อทำแล้วจะเป็นการไล่ฝนหรือไม่ให้ฝนตกบริเวณนี้ซึ่งน่าสนใจมากนะครับ มาถึงในช่วงที่3ครับมรดกภูภมิปัญญาไทย3เดือนของฤ ด, ดูฝนเนี่ยหลายคนก็มีปัญหาสุขภาพเช่นตัวผมก็บางครั้งก็มีอาการคัดจมูกเป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนนี่เรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยผมจะพูดถึงสมุนไพรไทยที่ใช้แก้หวัดซึ่งเป็นของที่อยู่ในครัวนี่แหละเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ช่วย รักษาโรคของเราได้นะครับและช่วงที่4มรดกทางภาษาวันนี้ผมพูดถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาลพูดถึงฝนโบกขอรพัทแล้วก็พิธีขอฝนจากพญาแทนซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวและสิ่งที่น่าสนใจจะทําให้คุณฟังได้มีความสุขในแต่ละช่วงของรายการก็คือเพลงเพล่ ที่ผมตั้งใจนํามาฝากเสมออย่างไรเสียเพลงเพราะๆก็จะทําให้คุณฟังได้มีความสุขผสมผสานไปกับเรื่องราวสาระที่น่ารู้และนี่คือความตั้งใจของรายการมรดกไทยตลอดหนึ่งชั่วโมงที่เราอยู่กันอยากให้คุณฟังได้มีความสุขมากถึงมากที่สุดเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบแต่ละช่วงของรายการมรดกไทยนะครับ FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโ ล, โลโยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีช่วงที่หนึ่งมรดกเพลงไทยครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝนตกเยอะผมก็เลยนึกถึงเพลงนี้ฟ้ายัางมีฝนเป็นผลงานการขับร้องของคุณแหวนทิติมาสุดตะสุนทร ซึ่งเธอก็จะเราไปเมื่อไม่นานนี้นะครับเพลงนี้ผู้เขียนคำร้องก็คือคุณสีฟ้าซึ่งคุณผู้ฟังก็เคยฟังประวัติของคุณสีฟ้าไปแล้วสำหรับคนที่ให้ทำนองแล้วก็เรียบเรียงเพลงนี้ก็คือคุณสมชายกฤิณะเสรณีในเพลงนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจเปรียบเทียบความช้ำเกี่ยวกับฝนเปรียบเทียบ น้ำตาเกี่ยวกับสายฝนซึ่งมีข้อความที่น่าสนใจดังนี้นะครับฟ้าฟ้ายังต้องมีฝนเกิดเป็นคนย่อมมีเสียน้ําตาฝนร่วงหล่นมาช้าๆจากดวงตาจากส่วนลึกในใจเปรียบเทียบน้ําตาความเศร้าเหมือนฝนที่ตกลงมาอย่างช้าๆนี่ถือว่าเป็นความงดงามในการเขียนเพลงของคุณสีฟ้านะครับ เหลือเพียงแต่รอยน้ําตาอีกไม่ช้าคงจะเรือนลบไปแล้วฝนก็จะซากลับเป็นฟ้าที่สดใสไม่เหมือนที่ผ่านมานี่เป็นสัจธรรมที่คนฟังเพลงก็จะนึกถึงท้องฟ้าที่งดงามฟ้าหลังฝนนั่นเองคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะฟังเพลงนี้ผมไปคนในพจนานุกรมเกี่ยวกับเรื่องราวของฝนน่าสนใจทีเดียวนะครับฝนถ้าเป็นคํานาม ก็หมายถึงน้ําที่ตกลงมาจากเมฆเป็นเม็ดเมดถ้าฝนเป็นลักษณะนามก็ใช้นับอายุหมายความว่ารอบปีขวปีนะครับยกตัวอย่างเช่นควาย3ฝนก็คือควายที่มีอายุ3ปีเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมา18ฝนก็เดาได้นะครับว่าเขาจะต้องอายุ18ปีฝนถ้าเป็นคํากริยาก็หมายถึงการถูนะครับเช่นฝนยา ฝนนะครับยังหมายถึงการรับเช่นฝนมีดเป็นต้นเรามีคำที่ใช้ติดหูติดปากพวกเราคือคำว่าฝนชะชอบมะม่วงก็หมายถึงฝนที่ตกเล็กน้อยประปรายในเดือนม ก, กราคมจนถึงเดือนมีนาคมซึ่งก็เป็นระยะที่มะม่วงออกช่อพอดีแล้วก็มีคำว่าฝนชะลานก็ได้นะครับเขาก็เรียกกันแบบนี้ ฝนชะชอบมะม่วงชาวนาเรียกว่าฝนชะลานเพราะว่ามักจะตกในระยะเวลาที่ยังนวดข้าวไม่เสร็จนะครับแล้วถ้าฝนสู้ซึ่งเป็นคำนามก็หมายถึงฝนเม็ดใหญ่ที่ตกลงมาสู้ใหญ่เพียงครู่เดียวแล้วก็หยุดไปแล้วก็ยังมีฝนไล่ช้างนะครับนึกออกใช่ไ้ยครับว่าตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดไป แล้วก็ยังมีสำนวนที่เราใช้ว่าฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ด่าก็หมายถึงการทําอะไรอะไรก็ไม่ถูกใจคนไปเสียทั้งหมดนั่นเองมาถึงฝนตกขี้หมูไหลนะครับเป็นคํากริยานะครับหมายถึงเหลวไหลไปด้วยการมักใช้คู่กับคนจันไรมาพบกันเช่นฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกัน นี่เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับฝนนะครับทั้งคำนามคำกริยาแล้วก็สำนวนซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับตอนนี้ผมแล้วก็คุณฟังพร้อมแล้วนะครับที่จะต้อนรับบรรยากาศของฤดูฝนด้วยเพลงนี้ฟ้ายัางมีฝนผลงานของคุณแหวนทิติมาสุตตะสุนทรขอเชิญรับฟังครับ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 8.5 m ม k ะ h u r ร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับผมจะถามคุณผู้ฟังนิดหนึ่งว่าสมมติว่าเราจะมีงานใหญ่ๆกลางแจ้งแล้วเกิดจัดในช่วงฤดูฝนหรืออาจจะคาบเกี่ยวปลายฝนต้นหนาวอะไรประมาณนี้ครับ แล้วเพื่อความมั่นใจว่าวันที่เราจัดงานเช่นงานบวชงานแต่งงานอื่นๆก็ได้ครับขอร้องเถอะฝนอย่าตกในวันนั้นคืนนั้นคือถ้าฝนตกในคืนนั้นงานเราก็จะพังพินาศเละเทะไปหมดเลยเราจะมีวิธีการอย่างไรวิธีการที่ง่ายนะครับก็นึกถึงการปักตะไคร้ใช่ไหมครับวันนี้ในช่วงมรดกวิถีไทยผมจะเล่าเรื่องของความเชื่อของคนในสมัยก่อนเขาจะมีตำนานการห้ามลมห้ามฝน จริงๆแล้วก็น่าสนใจเราสู่กันฟังเป็นความเชื่อวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนนะครับมาดูวิธีการที่จะไม่ให้ฝนตกเรียกว่าการแก้เครส์นะครับวิธีแรกของการห้ามลมห้ามฝนนะครับก็คือสําหรับแม่ค้าแม่ขายทั่วไปคนที่ออกไปทํางานประกอบสมรชีพิเขาบอกกันว่าหากเมื่อใดเห็นท้องฟ้าเริ่มมีเมฆดํา แล้วก็เมฆคลึ้มมานะครับให้รีบนำตะไคร้ไปปักกลางแจ้งข้อที่1 น, นะครับวิธีแก้เคล็ดห้ามลมห้ามฝนอันนี้ในกรณีของแม่ค้าประชาชนทั่วไปถ้าเห็นฝนตั้งเขามีเมฆดทมึนมาเนี่ยวิธีง่ายๆก็บอกว่าให้รีบนาตะไคร้ปักกลางแจ้งโดยการปักส่วนโคนเนี่ยรากที่จะต้องชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็พูดขอให้ฝน เลื่อนไปตกบริเวณอื่นแทนแต่ว่าในปัจจุบันนะครับก็หาที่โล่งแจ้งหายากมากที่จะให้ฝนไปตกนะครับก็ลําบากเหมือนกันหรือบางคนอาจจะเห็นคนโบราณนะครับนํากระถางใส่ดินแล้วก็นําไปวางกลางที่โล่งแล้วก็ปักเอาส่วนยอดของตะไคร้เนี่ยปักลงในกระถางก็เชื่อว่าจะทําให้ฝนไปตกที่อื่นนะครับก็เลยว่าผลักไปนะครับ วิธีที่2วิธีห้ามฝนเขาบอกว่าวิธีห้ามฝนที่นิยมกันนะครับก็คือปลูกตะไคร้โดยจะต้องไปขอให้แม่ไม้ที่สามีตายเนี่ยเป็นผู้ประกอบพิธีวิธีที่2ในการห้ามฝนนะครับก็คือนอกจากปลูกตะไคร้แล้วเ็าบอกช้ให้ได้ผลเนี่ยก็ต้องขอให้แม่ไม้ที่สามีตายเนี่ยประกอบพิธี เขาบอกว่าแม่ไม้จะทำการปลูกตะไคร้จำนวน3ต้นแต่ละต้นก็จะปักตรงส่วนปลายเอาส่วนโคนชี้ขึ้นการปลูกก็จะปลูกในที่โล่งแจ้งและหากจะได้ผลแน่ๆเรียกว่าได้ได้ผลร0 0เซนตนี่เขาบอกว่านะครับแต่ว่าดูแล้วน่ากลัวมากต้องให้แม่ไม้คนนั้นเปลื้องผ้าออกให้หมดนะครับ แล้วก็เอาไปปักตะไคร์อันนี้ผมว่าใครจะกล้าทำนะทุกคนก็มีความอายนะแต่สมัยก่อนเขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นข้อที่สใช้วัวธนูคุณผู้ฟังรู้จักวัวธนูไหมครับก็เป็นเครื่องรางของขลังที่คนโบราณได้ทําเอาไว้ใช้คนที่ชอบเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับเขาบอกว่ารูปวัวธนูเนี่ยเมื่อสารกันแล้วก็ปลูกเศษคาถาตามพิธี แล้วก็เชื่อว่าสามารถห้ามลมห้ามฝนได้หากโยนรูปบัวธนูนั้นลงไปในกองไฟเขาบอกว่าจะยิ่งห้ามได้มากถึงมากที่สุดนะครับวิธีที่4คือการจุดเทียนจุดเทียนในแผ่นกระดาษสาแล้วนำแผ่นยันดังกล่าวมามมวนกับไส้เทียนนำเทียนไปจุดกลางแจ้งขณะที่ฝนใกล้จะตกหรือฝนเริ่มตกท้งนี้ผู้ประกอบพิธี ต้องนั่งบริกรรมคาถาแล้วก็พูดว่าโอมวะวะมหาเมฆวังวะก็เชื่อว่าถ้าสวดแบบนี้ฝนก็จะไม่ตกนะครับวิธีที่ 5, วิธีการนี้ก็คือให้แม่ไม้ออกปากหรือลั่นวาจาโดยวิธีการก็คือให้แม่ไม้ออกปากหรือลั่นวาจาก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรก หากงานหนึ่งงานใดมีฝนตั้งเขานะครับมีท่าทางว่าฝนจะตกลงมาให้คนในงานเนี่ยกลางร่มแล้วก็ไปพบกับแม่ไม้พร้อมกลางร่มให้แล้วก็ขอให้แม่ไม้กล่าวกับเทวดาฟ้าดินว่าฝนจะอย่าเพิ่งมาตกตอนนี้เลยกำลังจะมีงานสำคัญนะครับเขาก็เชื่อว่าฝนก็จะไม่ตกลอยไปตกที่อื่นวิธีนี้ก็น่าสนใจ หรืออาจจะให้แม่ไม้พูดว่าฝนจาถ้าอยากตกนะให้ตกตอนนี้ก่อนตกก่อนที่งานจะเริ่มมิฉนั้นงานของเราก็จะพังพินาศอย่างนี้เป็นต้นวิธีที่6ก็อย่างอาศัยไหว้วานแม่ไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าแม่ม้ก็จะมีอิทธิพลมากทีเดียวกับเรื่องของการห้ามลมห้ามฝนเขาบอกว่าให้แม่ไม้ตากผ้าในกรณีที่มีงานศพ ถ้าท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับให้ท่านเนี่ยไปขอแม่ไหมมาทำพิธีตากผ้าโดยนําผ้าของผู้ตายไปตากบนหลังคาแล้วก็ขอร้องให้ฝนฟ้าอย่าพึ่งตกนิฉะนั้นงานเผาศพก็จะวุ่นวายวิธีที่7นะครับวิธีนี้เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าเมื่อเห็นว่าท้องฟ้ามีเค้าว่าฝนจะตกท่านให้ไป ขโมยไม้ตีพลิกของแม่ไม้ที่สามีตายเขาบอกว่านำมา อ, อังหรือว่าย่างเหนือกองไฟที่ร้อนระอุพลิกกลับไปกลับมาเชื่อกันว่าถ้าทำพิธีกรรมนี้ฝนก็จะไม่ตกวิธีที่8นะครับวิธีตั้งหม้อข้าวเอาไว้ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆก็คือรีบกุลีกุจอผ่าฟืนใส่เตา ทำเป็นก่อกองไฟแล้วก็ยกอุปกรณ์นึ่งข้าวนะครับเอาไปวางบนเตาพร้อมเปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็ทำทีทำเป็นผิงไฟบ้างเติมฟืนทำเหมือนกับว่ากำลังจะหุงข้าวแล้วก็ขอให้ฝนจะตกมิฉนั้นหุงข้าวจะไม่เสร็จวิธีที่9นะครับบางท้องที่ก็นำถ้วยชามกะลามังแล้วก็ช้อนนะครับขึ้นมาแขวนส่วนบนของประตูเรือน เมื่อมีอพายุขนองและสิ่งที่แขวนไว้ก็จะถูกลมพัดกระทบกันเสียงดังขนาะเดียวกันเจ้าของบ้านมักจะถือทัพพีถือช้อนอะไรก็แล้วแต่มีการฟ้อนลำผสมลงไปด้วยนะครับเขาบอกสิ่งนี้เชื่อว่าจะทําให้ลมฝนสงบแต่ถ้าเป็นที่บ้านผมนะครับสมัยก่อนถ้ามีลมพัดแรงๆเนี่ยเขาก็จะหยิบมีดติโตนะครับเสียบไปที่บริเวณพื้นเรือน เขาเชื่อว่ามีติโต้เนี่ยช่วยตัดลมนะครับทให้ลมเนี่ยอ่อนลงเบาลงจะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากลมพายุคุณผู้ฟังครับมาถึงวิธีสุดท้ายวิธีการเผาดินขอก็เป็นการนำเอากระเบื้องดินเผาที่ใช้แล้วเนี่ยมาเผาไฟโดยผู้ที่ประกอบพิธีก็จะต้องนำกระเบื้องมาลงยันจำนวนหลายแผ่นแล้วก็วางซ้อนทับกันบนเตาที่เตรียมไว้จากนั้นจึงติดไฟให้ลุกโชน แล้วก็ต้องเติมฟืนตลอดเวลาในส่วนของผู้ประกอบพิธีนั้นจะต้องนั่งเฝ้าเตาไฟแล้วก็เอามือทั้งสองอังไฟเอาไว้พร้อมกับบริกรรมคาถาทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมา1ิวิธีเนี่ยบางครั้งนะครับเขามีงานใหญ่ๆงานบวชงานแต่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ไม่อยากให้ฝนตกในช่วงเวลาที่สำคัญสาคัญแต่ถ้าถามพี่น้องเกษตรกรก็อยากให้ฤดูฝนในฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อว่าข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรก็จะเจริญงอกงามตามที่ต้องการส่วนคนในเมืองบางทีก็ไม่อยากให้ฝนตกนะครับฝนตกทีไรน้าท่วมทุกทีเลยก็ต่างจิตต่างใจแต่ว่าผมก็อยากให้ฤดูการต่างๆเป็นไปตามที่เรามีนะครับหน้าฝนก็น่าจะมีฝนตกหน้าหนาวอากาศก็น่าจะหนาวอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนความเชื่อ ในเรื่องของการห้ามฟ้าห้ามฝนและตอนนี้นะครับก็พูดมานานพอสมควรแล้วก็จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพลาะเพลาะแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปนะครับ ฉันฝันสงสารและความหิดหวังที่ช ắp นําให้ฉันพบเธอน้อตํตาที่ไหลจะความตั้งใจไม่ได้พลั้งเพลอชาตินี้ข็่แล้วนะอ๋ยไม่อยากเจนอนางเธออีกเลยบทเพลงที่ส่งคุณค่า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 คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีมีอาการหวัดคัดจมูกมีวิธีง่ายๆ่ายหาพืชสมุนไพรหรือสิ่งที่อยู่ในครัวเนี่ยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณได้บอกเคล็ดลับวิธีการแก้อาการคัดจมูกแล้วก็ทําให้อาการดีขึ้นข้อแรกเลยครับไปหาหอมแดงนําหอมแดง1 ห, หัวนะครับนำมาปอกเปลือก แล้วก็รับประทานพร้อมอาหารเป็นประจำทุกวันเพราะว่าอะไรครับสารพุณจากหอมแดงจะช่วยทั้งป้องกันหวัดแล้วก็บรรเทาอาการคัดจมูกลงได้แต่ถ้ารับประทานแล้วอย่างไม่ดีขึ้นก็ใช้หอมแดงหัวเล็กๆ เ, เนี่ยประมาณทั้ง 4-5 ถึงหหัวมาทุบๆๆพอแตกแล้วก็นำไปต้มกับน้ำสะอาด1ลิตรต้มให้เดือดเลยนะครับแล้วเทน้านั้นใส่ชามใบใหญ่ ก้มหน้าลงไปให้ห่างจากชามพอประมาณน้ำนั้นต้องไม่ร้อนนะครับแล้วคลุมศรีรษะด้วยผ้าขนหนูแล้วสูดไอระเหยจากน้ำที่ต้มนะครับที่มีหอมแดงเนี่ยสูดไอระเหยประมาณ 5-10 นาทีเขาบอกว่าวิธีนี้จะทำให้คุณรู้สึกโล่งจมูกมากยิ่งขึ้นเป็นไงล่ะครับประหยัดสตางค์ด้วยข้อที่2ไปหาตะไคร้มาครับให้ ทุบตะไคร้เนี่ยนำตะไคร้สาต้นเนี่ยเขาบอกว่าทุบให้แตกแล้วก็นํา ม, มาต้มกับน้ําเปล่า1ลิตรต้มให้เดือดเลยนะครับยกลงรินเอาแต่น้ําแล้วก็มาจิบบ่อยๆก็คือน้ําตะไคร้จิบทั้งวันเขาบอกว่าตะไคร้ก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้คัดจมูกได้ผลดีแถมยังช่วยอาการน้ํามูกไหลาจากหวัดได้อีกด้วยมีน้ําตะไคร้ที่เขาขายแต่ว่า คงจะดีถ้าเราสามารถทำทานเองได้ก็จะประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆทีเดียวนะครับ 3. ขิงนะครับให้นำขิงแก่1แง่งมาหั่นเป็นแว่นบางๆจากนั้นนำไปต้มกับน้ำเปล่า1ลิตรโดยต้มประมาณ5นาทีแล้วก็ตักเอาขิงออกมาเอาแต่น้ำขิงมาดื่มขณะอุ่นๆโดยดื่มครั้งละ1นแก้วอาจจะดื่มตอนเช้ากลางวันแล้วก็ตอนเย็น เพราะว่าอะไรครับน้ำขิงจะช่วยลดน้ำมูกลงได้แต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ซื้อผงขิงสำเร็จรูปที่เขามีขายเนี้ยมาชงกับน้ำร้อนดื่มก็โอเคนะครับข้อที่4พริกเขาบอกว่าให้นำต้นพริกไม่ได้เอาเม็ดมานะครับนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาสับเป็นท่อนสั้นๆแล้วตากแดดจนกระทั่งแห้งนาต้นพริกที่ตากแดดจนแห้งแล้วประมาณ15กรัม มาต้มกับน้ำา1ลิตรให้เดือดรินเอาแต่น้ำมาดื่มนะครับโดยดื่มครั้งละหนึ่งแก้วก็ดื่มตอนเช้าตอนเย็นก็มาดูสรรพคุณนะครับสบรรพคุณของมันก็จะช่วยให้หายใจสะดวกคล่องขึ้นต่อไปก็เป็นหญ้าใต้ใบก็เป็นสมุนไพรใต้ใบต้นเล็กๆที่มีรสชาติขมเย็นสามารถช่วยแก้วหวัดคัดจมูกได้เช่นกัน โดยให้นาเอาต้นสดประมาณ3ต้นนะครับคุณผู้ฟังนำมาล้างน้าให้สะอาดหั่นเป็นท่อนสั้นๆจากนั้นก็นำมาต้มกับน้าเปล่า1ลิตรต้มให้เดือดเลยนะครับต้มให้เดือดเลยกรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่น้ำเนี่ยมาดื่มก่อนนะครับอาจจะดื่มก่อนอาหารก็ได้โดยดื่มครั้งละ1แก้วดื่มตอนเช้าตอนเย็นก็จะช่วยแก้อาการหวัดคัดจมูก แล้วก็ยังช่วยให้น้ำมูกแห้งด้วยนะครับต่อไปกระเทียมไม่นึกถึงกระเทียมไม่ได้เขาบอกว่าให้เอากระเทียมเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นสมุนไพรที่กลิ่นฉุนหลายคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่แก้อาการคัดจมูกที่ได้ผลดีมากๆวิธีการก็คือนำกระเทียมมาเจ็ดกลีบนะครับมารับประทานพร้อมอาหารทุกๆครั้ง เขาบอกว่าจะทำให้อาการเป็นหวัดดีขึ้นไม่ควรกินกระเทียมตอนท้องว่างอย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถใช้แก้อาการไข้หวัดคัดจมูกได้ง่ายๆนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังมีมะนาวก็นำมะนาวผสมน้ำผึ้งชงกับน้ำร้อน นำมารับประทานก็จะช่วยแก้เจ็บคอช่วยให้หายใจโล่งลดอาการไอลดเสมหะก็ได้หรือถ้านึกอะไรไม่ออกไปซื้อส้มเขียวหวานนะครับคั้นเอาน้ําออกมาแล้วก็ดื่มก็จะช่วยทําให้เราสุขภาพดีคลายอาการเป็นหวัดได้ก็มาถึงฟ้าทลายโจร น, นะครับใช้ฟ้าใบฟ้าทลายโจรเนี่ยตากแห้งแล้วก็บดเป็นผงปั้นกับน้ําผึ้งเป็นยาลุกกลอน รับประทานนะครับช่วยอาการแก้ไข้แก้อักเสบเจ็บคอต่อไปก็เป็นยูคาลิปตัสก็ใช้ใบของมันเนี่ยต้มกับน้ำร้อนใช้สูตรดมแก้าการหายใจไม่ออกแล้วก็มาถึงดีปลีเอาผลแก่นะครับที่มันแห้งต้มใช้ฝนกับน้ำมะนาวนะครับก็มีใส่เกลือลงไปนิดนึงเมื่อรับประทานแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการไอแล้วก็ขับเสมหะได้ดี ทีนี้ก็มาถึงมาแวงต้นนะครับใช้ผลสดที่โตเต็มที่5ถึง10ผลนะครับเอามาตำตำตำตำพอแหลกแล้วก็เติมน้ำเล็กน้อยคั้นเอาแต่น้ำทิศนะครับแล้วก็เติมเกลือลงไปจิบบ่อยๆก็จะช่วยทำให้ชุ่มคออาการเจ็บคออาการเป็นหวัดก็จะดีขึ้นต่อไปก็เป็นมาขามป้อมนะครับใช้ผลสดจิ้มกับเกลือหรือต้มเอาน้ามาดื่ม ก็ช่วยในการแก้ไอได้และสิ่งสุดท้ายที่ไม่ลืมก็คือชะเอมเทศเดี๋ยวนี้ชะเอมเทศก็เป็นส่วนผสมของยาแก้ไอยเยอะมากทีเดียวเขาบอกว่าใช้ขนาด 3-10 กรัมเคี้ยวแล้วก็อมไว้จะทำให้ชุ่มคอช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็ขับเสมหะนะครับนี่เป็นวิธีการดูแลสุขภาพง่ายๆแบบไทยๆตามลักษณะของภูมิปัญญาไทยที่ ได้สั่งสมกันมาแล้วก็ถ่ายทอดจากบรรพบุพ ร, บรุษสู่ลูกหลานยังไงเสียฝากพิจารณาด้วยครับนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่คนโบราณได้ฝากให้คนรุ่นหลังได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับ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 คุณผู้ฟังครับมีสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับฝนอีกนิดหน่อยซึ่งผมยังไม่ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับสำหรับสำนวนฝนตกไม่ทั่วฟ้าสำนวนนี้ก็หมายถึงการจะให้หรือแจกอะไรก็ไม่ค่อยทั่วถึงคนคงจะบนกันทั่วหน้าสำหรับสำนวนฝนตกไม่มีเขาก็หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีวี่แววหรือไม่ได้คาดหวังเอาไว้ก่อน มาถึงฝนตกอย่าเชื่อดาวหมายถึงว่าอย่าไว้วางใจใครหรืออะไรจนเกินไปเขามักจะใช้คู่กับมีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยายดังนั้นเวลาพูดก็จะพูดว่าฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยายนะครับเอาละครับพูดถึงเรื่องฝนผมก็จะพูดถึงตำนานหรือพิธีกรรมการขอฝนในสมัยก่อน ทุกท่านคงทราบแล้วนะครับว่าฝนนั้นมีความสําคัญอย่างไรต่อการเพาะปลูกดังนั้นถ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็ต้องมีพิธีการขอฝนคุณผู้ฟังครับผมก็จะเล่าเรื่องราวของพิธีขอฝนของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้รับทราบนะครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่าเดิมมนุษย์ได้บูชาพญาแถนอย่างสม่ําเสมอ พญาแทนก็จะดนบันดานให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลต่อมาพญาคันคากได้เป็นผู้ที่ครองเมืองมนุษย์เป็นผู้ที่มีทศพิษ ร, ราชธรรมเรามนุษย์จึงบูชาพญาคันคากแล้วก็เลิกบูชาพญาแถนดังนั้นพญาแถนจึงไม่ค่อยพอใจก็เลยไม่ดนบนดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลก็เกิด ในโลกมนุษย์เกิดภาวะความอดอยากแห้งแล้งฝนไม่ตกราษฎรทําไร่ไถนาไม่ได้ก็เกิดยุคข้าวยากหมากแพงทําให้เดือดร้อนไปทั่วเลยนะครับพญาคันคากจึงตัดสินใจรวบรวมกองทัพเพื่อไปอรบกับพญาแถนบนเมืองฟ้าปรากฏว่ากองทัพของพญาคันคากประกอบไปด้วยงูกบเขียดคางคกมดต่อเตนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ก็ไปรบกันพญาคันคาดได้รบกับพญาแถนจนกระทั่งพญาแถนเนี่ยยอมแพ้แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ถ้าต้องการให้ฝนตกต้องเมื่อไหร่ก็ให้จุดบ้างไฟขึ้นมาบอกดังนั้นจึงเป็นตำนานเรื่องราวที่มาของประเพณีการจุดบ้างไฟเพื่อขอฝนจากพญาแถนนั่นเองตำนานนี้หลายท่านก็คงจะทราบนะครับ ทีนี้กลับมาดูเรื่องราวของฝนโบกขอรพัฒนซึ่งตกในสมัยพุทธกาลก็หยิบยกมาจากเวสันดรชาดกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งฝนชนิดนี้ก็ได้ตกในระหว่างที่มีการประชุมในสมัยพุทธกาลเหล่าพระพิสุสงต่างเกิดความสงสัยว่าฝนชนิดนี้เนี่ยเคยตกมาในอดีตการหรือเปล่าพระองค์ได้กล่าวว่าฝนชนิดนี้เคยตก ในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรซึ่งฝนโบกขอรพัดนี้จะมีลักษณะเป็นสีแดงโดยถ้าผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกก็จะเปียกทั้งตัวแต่ถ้าเกิดท่านใดไม่ต้องการให้เปียกเขาบอกว่าแม้แต่น้ำฝนแม้แต่หยดเดียวก็จะไม่ตกต้องถึงผู้นั้นก็เป็นเรื่องราวที่น่าอาัศจรรย์สาหรับฝนที่เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะครับคุณผู้ฟังครับในเมืองไทยมี3ฤดูฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวดังนั้นก็อยากให้ฤดูการเป็นไปตามธรรมชาตินะครับอยากให้ฤดูร้อนร้อนน้อยลงฤดูฝนฝนก็ตกต้องตามฤดูการแต่ว่าไม่ใช่ตกมากจนน้ําท่วมส่วนฤดูหนาวก็น่าจะมีอากาศเย็นให้เราได้รู้สึกเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดนี้ ฝนจะตกต้องตามฤดูการภูมิอากาศจะเป็นไปตามที่เราต้องการได้เราต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติปลูกต้นไม้แล้วก็ทำให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติแล้วมนุษย์อย่างเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขนะครับ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 คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการมรดกไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสาระแล้วก็เสียงเพลงที่นำเสนอในรายการในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขมากถึงมากที่สุดสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจรับฟังรายการมรดกไทยนะครับก็หมุนคลื่นมาที่ fm 89.5 MHz เมสสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังเราจะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ FM 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม